พระพุทธเจ้าท่านตรัสถามวาเรื่องอะไรภิกษุมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอภิกษุก็กราบทูนให้สง่งทราบว่าพระอนุลนได้จีวรมาห้าร้อยขืดแล้วก็ให้กับลูกศิษย์คนเดียวอพระพระอนุ์นั้นเป็นพระโสดาบันอาคติยังมีแก่พระโสดาบันอยู่ซื่ง <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกว่าไม่ใช่หรออ <c oughs> ไม่ใช่หรออลูกศิษย์คนนั้น มีอุปการะมากต่อพระอานุ์อนุนระลึกถึงอุปการะของสิทธิคนนั้นเขาจึงได้มอบจีวรทั้ง500ผืนให้แก่ลูกศิษย์อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของครูหรือของอาจารย์ที่ว่ายกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงอย่างที่พูดแล้วเมื่อวันเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้เองใน ในรายการวิเคราะห์ธรรมที่พนมอสองยกย่องให้ปรากฏมันเป็นลักษณะของการยกย่องให้ปรากฏในเพลนผู้ให้ให้ลูกศิษย์ด้วยะระลึกถึงอุปการะของลูกศิษย์คนนั้นที่ทําอุปการะต่อท่านมากเ อ, อมากกว่าลูกศิษย์คนอื่นๆอันนี้ท่านทําไปตามเหตุแต่ว่าคนไม่เข้าใจก็เ อ, อพระที่เป็นลูกศิษย์ ไม่เข้าใจก็ไปติดเตียนท่านไปจับทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทราบพระพุทธเจ้าท่านทราบอันนี้เรียกว่ามีอุปการะต่อกันและกันสิทธิ์มีอุปอาจารย์มีอุปการะต่อสิทธิ์แล้วก็ลูกศิษย์ก็มีอุปการะต่ออาจารย์ในหน้าที่ของตนในหน้าที่ของตนทําทหน้าที่ของตนดี ก็ถือว่ามีอยู่ประกาะต่อครูอาจารย์อาจารย์ทาหน้าที่ของตนดีก็มีอยู่ประกาศต่อส <c oughs> ิอาจารย์สี่จพวกท่านจําแนกไว้สี่จาพวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าอุทเทสอาจารย์อุทเทสอาจารย์คืออาจารย์ผู้สอนธรรมอาจารย์ผู้สอนธรรม บางทีก็เรียกว่าทำ ม, มันทำ ม, ม, ม, มาจาร์ก็มีทำมาจาร์หรืออุทเทศาจารย์อาจารย์ผู้สอนธรรม <c oughs> ทีนี้อีกอีกพวกหนึ่ง เ, เรียกว่าปรปชาตาจารย์ปรปชาจาย์อาจารย์ผู้ ให้บวชเป็นสามเณรผู้ที่ให้บวชเป็นสามเณรท่านว่าอาจารย์ผู้ให้สิกขาบทสามเณรก็รับสิกขาบทสิทนะครับครับสิกขาบทสิทตั้งแต่ข้อสิบสินสิบนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบ <c oughs> สินสิบของสามเณรในการบวชสามเณรนี่เขาจะมีอาจารย์ผู้ให้ศีล นอกจากอุปัชชายะแล้วมีอาจารย์ผู้ให้สีอันนี้เรียกว่าปรับจายาจารย์ปปัจชาแปลว่าบทธรรมะนิยทีนี้ <c oughs> อีกประเภทหนึ่งก็คืออุปสัมปทาอาจารย์อุปสัมปทาอาจารย์อาจารย์ผู้ให้อุปสมบทคือว่าอาจารย์ที่สวดกรรมวจจาในการอุปสมบท อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาในการอุปสมบทคือสวดสว ด, สวดสวดประกาศสวดประกาศให้ทราบกันวา่าท่านผู้นี้ขอบดุดมีท่านผู้นี้เป็นอุปัชฌายะถ่าสง่งเห็นด้วยก็ให้นิ่งอยู่ถ้าสงไม่เห็นด้วยก็ให้พุดขึ้นประกาศทํานองนี้นะครับ เรียกว่าอุปสัมปทาอาจารย์แล้วก็อีกประเภทหนึ่งจำพวกหนึ่งเรียกว่านิสยาอาจารย์อาจารย์ผู้ให้นิสัยในนิสัยคือว่าผู้ที่บวชแล้วอาศัยท่านผู้ใดยอยู่เป็นเวลาห้าปีเป็นเวลาห้าปี ดานนั้นเรียกว่านิสยานญาติอาจารย์ผู้ให้นิสัยคือว่าเป็นที่พึ่งพิงอาจารย์เป็นที่พึ่งพิงพอเลยห้าพันษาไปแล้วเขาเรียกว่าพอเลี้ยงตัวเองได้พอพึ่งตัวเองได้เขาเรียกว่านิสัยมุตตะกัคือพ้นจากนิสัยให้ปกครองตัวเองได้แต่ถ้ายังต่ำกว่าห้าพันษาก็ยังอยู่ในปกครองของอาจารย์อย่างใกล้ชิด ดูแลอย่างใกล้ชิดนิสยาจันนิสย ะ, สยะบางทีก็มาเป็นนิสิตนะครับมาเป็นนิสิตรักท์เดียวกันนิสิตอาศัยท่านอยู่นิสิแตแปลว่าอาศัยท่านอยู่ทีนี้มาถึงสมัยของเราเวลานี้ <c oughs> บางบางท่านบางคนเรียนความรู้เรียนความรู้ทางโลกมาได้ปริญญา หรืออะไรมีความรู้มาแล้วมาบวชพอบวชแล้วก็ปลีกตัวออกไปอยู่ตามลําพังเพราะว่าไม่อาศัยอาจารย์อยู่แต่ว่าไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เลย <c oughs> ไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เลยเรียนธรรมะไม่กี่ปีปีสองปีก็ไปตั้งตัวเป็นอาจารย์ก็คิดว่ารู้เยอะแล้วความรู้ทางศาสนาเ น, นี่ไม่ใช่ ไม่ใช่เล่นนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่เรียนกันวันสงวันปีสงปีแล้วจะรอบรู้เ อ, อต้องใช้เวลานานเกือบจะทั้งชีวิตก็ว่าได้ถึงจะรอบรู้แตกฉานพอสมควรทีนี้ถ้าเผื่อว่าออมีความรู้ทางโลกมาได้ปริญญามาทำงานทำการมีประสบการณ์ทางโลกมาแล้วก็เลื่อมใสามาปวด พอบวชสักสองสาปีก็ปริบตัวไปตั้งไปตั้งตนเป็นคณะอาจารย์คณะาจารย์แปลว่าอาจารย์ของคณะอาจารย์ของคณะทีนี่เมื่อเป็นอาจารย์ของคณะแล้วเป็นเจ้าสํานักแล้วจะไม่รู้ก็ไม่ได้จะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่รู้ก็ไม่ได้ต้องรู้บางทีก็ดำน้ําออก นอามีเหตุไม่ไม่เหมาะไม่สมควรมีเรื่องไม่ดีงามเกิดขึ้นมากมายในศาสนาเพราะผู้ที่ตั้งตัวเป็นขณนาจารย์หรือเจ้าสำนักเร็วเกินไปเร็วเกินไปไม่ยังไม่พร้อมออยังไม่พร้อมอเหมือนเด็กเหมือนเด็กสมัยนี้ครับ อ, อายุสิบสามสิบสี่ก็ มีมีลูกอมีทองมีลูกแต่แล้วความพร้อมไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงเด็กไม่มีแต่ว่าเรียกว่าจริงสุกก่อนหามเราไปมีลูกมีลูกครั้นี้ปัญหาปัญหาเรื่องเด็กแต่บางทีพ่อมันก็อายุเท่าเท่ากันอายุพอๆกันสิบห้าสิบหกพอรู้ว่าผู้หญิงตั้งครันก็หนีเลย ไม่รับผิดชอบอผู้หญิงก็ไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็ไปทำแทง้งบางคนก็อยอมยอมให้คลอดยอมให้คลอดแล้วก็ไม่สามารถจะเลี้ยงได้มอบให้โรงพยาบาลบางบางคนก็มอบให้โรงพยาบาลบางคนก็เอาไปทิ้ง พอไปทิ้งไว้ตามซอกตามมุมตามถนนหนทางเพื่อว่ามีคนมาพบเข้าวใจออกไปเลี้ยงบางคนทำมาฮิตถึงขนาดเอาไปวางไว้ใต้ท้องรถเออ่เพื่อให้คนถอยรถมาโดยไม่เห็นแล้วก็ขยี้ไปเลยบี้ไปเลยว่าให้เอารอรถเป็นฆาตกร <c oughs> ถึงขนาดนี้ คือเรามองดูว่าเขาเอมมาหิดแต่ว่าในใจของเขาคิดว่าคงจะบอบชำ้ำแล้วก็มีความมีความรู้สึก เ, เกลียดชังต่อโลกและสังคมมีความรู้สึกชอกช้ำบอบชำ้ำต่อโลกและสังคม ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยออกอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็ น, วนเวรติดใจของตัวไปตลอดชีวิตก็เป็นการทำลายอนาคตของตัวไปแล้วว่าเอออันนี้ก็ตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูว่าไม่พร้อมอไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วก็ไปมี โดยปังเอิญหรือโดยตั้งใจหรือโดยหลงไหลเพลิดเพลินหรือโดยคิดว่าไม่เป็นไรหรือโดยอะไรก็แล้วแต่แต่มันยังไม่ถึงเวลาอันควรยังไม่ถึงเวลาจำลองเดียวกับผู้ที่เ อ, อเรียนไม่กี่วันแล้วก็ไปตั้งตัวเป็นคณาจารย์แล้วก็นํำมูคณะไปสู่ความเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายต่างๆมากมาย <c oughs> น่า ก, กลัวน่า ก, กลัวสมัยโบราณแม่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ถ้าเผื่อท่านไม่เชี่ยวชาญจริงๆท่านจะท่อมตัวถ่อมตัวว่าอัตมามาสู่ธรรมวินัยนี้ใหม่ๆยังไม่รู้อะไรมากนะักท่านจะพูดอย่างนี้พระอาจารยชีเป็นตัวอย่างตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่อง ความกระตันจูคือรู้อุปการะคุณของท่านเมื่อคืนก่อนนี่ก็ได้พูดถึง อ, อุปชายยะประชัยะอาจารย์พูดถึงอาจารย์อาจารย์สี่ประเภท <c oughs> สี่ประเภทสี่จำพวก ทีนี้ก็ลูกสิทธ์ก็มีสี่เหมือนกันเขาเรียกอันเตวาสิกอันเตวาสิกลุกสิกก็ปภัจจันเตวาสิกแต่ว่าอันเตวาสิกหรือลูกสิทธที่ได้รับบรรทัจรูกสิทธิ์ที่ลุกสิทธ์ที่บวชให้ลุกสิทธิ์ที่อุปชายยะบวชให้ ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่บวชให้อุปสัมปทันเตวาสิษย์บวชสามเนตรอันเทวอันเตวศิษย์คือลูกศิษย์ที่บวชสามเนตรให้อุปสัมปทันเตวาสิษย์ก็ลูกศิษย์ที่บวชพระใ ห, ให้นิสัยนิสัย ลุกสิทธ์ที่ให้นิสัยตามที่พูดธมาแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็ทำมันเจวาสิทธิ์หรือลุกสิทธ์ที่เรียนทำลูกสิทธ์เป็นลูกสิทธ์เพราะเรียนทำคือว่าสมมติว่ากอ่อ <c oughs> ก่อบวชสามเณรกับผู้ใดก็เป็นปรปะจันเตวาสิทของท่านผู้นั้นได้อุปสมบท ได้บวชพระกับท่านผู้ใดก็เป็นอุปสัมปทันเตวาสิกอได้ถือนิสัยกับท่านผู้ใดก็เป็นนิสัยันเตวาสิกได้ศึกษาธรรมกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็ก็เป็นธรรมันเตวาสิกของท่านผู้นั้นศึกษาธรรมกับท่านผู้ใดก็เป็นธรรมันเตวาสิกของท่านผู้นั้น อันนี้ลูกศิษย์กับอาจารย์ทีนี้ก็สำหรับชาวบ้านชาวบ้านก็มีแต่ทรมันเตวศิษยคือว่าได้เรียนวิชาความรู้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อุปนพชาไม่ได้อุปสมบทไม่ได้ถือนิสัยก็ได้แต่เรียนวิชาความรู้จากอาจารย์ผู้ใด ก็เป็นธรรมันเตวาศิก ข, ของอาจารย์ผู้นันทีนี้ก็มาพูดถึง เ, เรื่องศาสนากับศาสนิกศา ส, สนากับศาสนิกแต่ศาสนามีคุณอย่างไรมีอุปการะ ไม่อุปการะคุณต่อศาสนิกอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนจะมีความรู้สึกว่าได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากศาสนาเพียงไร <c oughs> บางคนก็ได้รับประโยชน์จากศาสนามากได้รับประโยชน์มาก จะว่าเกือบจะทั้งชีวิตตั้งแต่ตดกจนจนเท่าแก่จะว่าอยู่กับศาสนาได้รับประโยชน์จากศาสนาทีนี้ <c oughs> ถ้าเขาเป็นคนกระตันยูมีกระตันยูแนบแน่นหรือว่ามีรู้จักประการะ ของท่ก็ต้องทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับศาสนาเพราะว่าได้ได้พึ่งพาอาศัยศาสนามาโดยตลอดในที <c oughs> บางคนก็ไม่ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับศาสนาเท่าไหร่ ก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของศาสนามากนักเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนามาตั้งแต่เด็กหรืออายุมากแล้วบางคนแก่แล้วก็ยังชนโคอยู่ก็ยังชนวัวตีไก่กัดปลาอยู่ยังไม่ได้ข้าวหาศาสนาเลยถ้าข้าวหาศาสนาบางทีก็ เข้าหาศาสนาไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องต้อ <c oughs> งควบข้องกับศาสนาเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าตามความเห็นของผมนะครับ <c oughs> คนเรายิ่งเข้าหาศาสนาได้เร็วเท่าไหร่มันก็มีประโยชน์มากเท่านั้นแล้วก็ เป็นประโยชน์ที่ยั่งจืนถาฟรยาวนานนี่ถ้าคิดว่าค่อยค่อยหาข้าวหาศาสนาตอนแก่ตอนนี้อายุยังน้อยอยู่เล่นก่อนเที่ยวก่อนทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ไปก่อนแล้วพอแก่แล้วจึงค่อยมาศึกษาธรรมะ มาศึกษาธรรมเข้ามาศาสนาก็จะรู้เรื่องของศาสนาบ้างนิดหน่อยก็ถึงเวลาตายแล้วบางทีก็แก่จนเดินต้องคลานแล้วเดินก็ไม่ไหวตาก็มองไม่เห็นอ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะก็อ่านไม่ได้ตามันไม่ยอมตาไม่ยอมะชะาชัชริตาอุนติอัตปาดาณสวรน วาถูกชาราครอบงำแล้วมือเท้าว่าไม่ฟังว่าไม่ฟังจะประพฤติธทรรมได้อย่างไรกับทางธรรมังกริสติจะประพฤติธทำได้อย่างไงเนี <c oughs> ่ยเจ้าพุทธที่นับถือศาสนาพุทธเนียถ้าข้าวหาธรรมะข้าวหาศาสนาในทางที่ถูกต้อง เข้าหาศาสนาโดยเข้าทางธรรมะศึกษาธรรมะศึกษ า, าคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคือว่าอ่านพระพุทธพจน์นะ่ให้มากๆเนียว่าศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงศึกษากับพระพุทธเจ้าศึกษากับพระพุทธเจ้าคือการาได้อ่านพระพุทธพจน์มากๆ อาจารย์ที่สอนธรรมะก็เป็นแต่เพียงว่านำเข้าไปให้พบพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราก็ได้พบพระพุทธเจ้าเองโดยการอ่านพระพุทธพจน์ให้มากๆแล้วจะเข้าใจศาสนาได้มากไม่ฟุ้งซ่านด้วยไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าพระพุทธพจน์นี้มีลักษณะสงบเย็นสงบเยือกเย็น สว่างสว่างสงบ <c oughs> แล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากพันศาสนาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีอุปการะมากต่อมวลมนุษย์ถ้ามวลมนุษย์เราในสังคมของเรา รู้จักอุปการะคุณของศาสนาแล้วก็ธนุบำรุงศาสนาในทางที่ถูกต้องโดยการศึกษาพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็นำมาปฏิบัตินำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ให้ดี อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้กตัญญูต่อศาสนามิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นกบฏต่อศาสนาเสีงหมดนับถือศาสนานั่นแหละแต่ก็เป็นกบฏต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยไม่รู้ตัวเป็นกบฏต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยไม่รู้ตัวก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ประโยชน์แ ถ, แถมจะให้โทษซอีกอันนี้พูดถึงศ า, าสนิกกับศาสนาทีนี้ก็ถ้าเป็นคนรู้ปการะของศาสนาแล้วก็ทนุบำรุงศาสนาในทางที่ถูกต้องแล้วก็ศาสนาก็ไม่เลือกเธอตัวเองก็ได้รับประโยชน์ ได้รับความสุขมันเป็น Teachful and Useful Life ชีวิตเรามีความสงบแล้วก็มีประโยชน์อยู่อย่างสงบแล้วก็ทำประโยชน์ได้สงบมีประโยชน์แ่ที่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องตัวอย่างของคน ของคนที่ไม่กระตันอยู่ไม่รู้ประการะคุณของท่านการพูดอย่างนี้ก่อนถือว่าเป็นการกล่าวธรรมโดยวิธีรุนแรงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเว <c oughs> ลาท่านแสดงธรรมท่านก็แสดงธรรมโดยวิธี ละมุลละม่อมบ้างก็แสดงโดยพิธีรุนแรงบ้างแล้วก็ทั้งละมุลละม่อมและทั้งรุนแรงบ้างที่ว่าละมุนละม่อมนั้นคือพูดถึงกุศลพูดถึงความดีพูดถึงคุณของความดีอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องกาตันยูกตาเวทีนี่ก็ พูดถึงคุณของความกัจัญตยูกัจจาวทีผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมคือกัจัญยูกัจจาวทีนี้มีคุณอย่างไรได้รับประโยชน์อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าแสดงธรรมโดยละมุดละมอมทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือกล่าวโทษ กล่าวถึงโทษของความไม่กระตันอยู่โทษของความอาะตันอยู่อย่างนี้เรียกว่าแสดงธรรมโดยวิธีรุนแรงรุนแรงไม่ได้หมายถึงด่า ว, ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าแสดงโทษให้ดูแสดงโทษให้ดูอย่างนี้เรียกว่าแสดงวิธีรุนแรงจะกล่าวถึงโทษของผู้ที่ ไม่มีความกระตันอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เราดึงเข้ามาใช้ในในประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ดึงเข้ามาใช้ได้ <c oughs> ก็นำมาเฉพาะบางเรื่องนะครับนำมาเล่าเฉพาะบางเรื่องเป็นเรื่องโบราณเป็นเรื่องโบราณแต่ว่าเอามาใช้ในในปัจจุบันนี้ได้วันนี้ทานิศกันครับ ทานิสงก็เล่ากันไม่ไม่เบื่อก็สนุกอันนี้ผมจะเล่าเท่าที่เวลาเหลืออยู่แต่จบหรือไม่จบก็แล้วแต่ว่าในสมัยก่อนมีมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในกรุงรัชคฤอก็นำเอาหญิงสาวซึ่งเป็นธิดาของเศรษฐีในชนน้ปด กับมาแต่งงานกับบุตรชายของตนทีนี้โชคร้ายหน่อยหนึ่งว่าอ่หญิงคนนั้นเป็นหมันเป็นมันก็รู้สึกว่าเดือดร้อน่อเดือดร้อนกับเครื่องที่ตัวเป็นมันก็เลยอคิดจะยอมยอมแมวยอมแมวเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรหลอกคิดจะหลอก ว่าตั้งขันก็เลยทุกหลังมือหลังเท้าทำให้บวมขึ้นแล้วก็ทำให้ท้องโตขึ้นโดยวิธีอะไรด้วยวิธีเอาท่อนฟามาพันเขาที่ท้องทุกๆุกวัน <c oughs> ก็เขาไม่มีใครรู้ลวครับมีแต่หญิงรับใช้คนหนึ่งที่รู้ เป็นอันรู้กันหญิงรับใายนี่เรียกว่าใจาเดียวคอเดียวกันคราวนี้ก็พอล่วงไปเก้าเดือนก็ลาลาพ่อผัวลาแม่ผัวก็ลาสามีว่าจะไปคลอดที่บ้านเดิอที่ชนบทที่บ้านพ่อแม่ของตัวเอง ทีนี้ก็ในขณะที่เดินทางไปเนี่ยคราวนั้นก็มีผู้จริงเข็นใจคนหนึ่งก็เดินทางไปเดินทางไปเหมือนกันไปกับเกวียนเดินทางด้วยเกวียนแล้วก็คลอดปุดที่คนต้นใส่ต้นหนึ่งในระหว่างทางทีนี้เกวียนจะต้องเดินทางแต่เช้าตรู่ จะต้องเดินทางแต่ชาวเขาก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คิดว่ า, เ, าเราจะไม่ไปกับพวกเวียนก็ไม่ได้จะต้องไปกับพวกเวียนจะอุ้มลูกไปด้วยก็ลำบากก็เลยทิ้งลูกเอาไว้พร้อมโดยรกทิ้งลูกเอาไว้ที่นั่นใต้ตนใสใสต่ตนใสท่านบอกว่าเทวดาที่ อยู่ที่ต้นใจช่วยรักษาเด็กเอาไว้แล้วก็โชคดีนะครับโชคดีที่เด็กคนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยครับเป็นพระโพธิสัตว์รือเป็นอดีตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรานี่เป็นมาทุกอย่างตว่งทั้งคนรวยทั้งคนจนทั้งได้รับการประครบประงมทั้งถูกทิ้งอะไรเป็นมาทุกอย่าง ตัวที่คนที่มีบาดมีตีอย่างนั้น อ, อย่างนี้เราฟังต่อไปก็รู้อย่างยังเกิดมาในสถานะที่ลำบากแล้วก็ถูกแม่ทิง้งทีนี้ก็ไฟธิดาเศรษฐีเนี่ยครับ เ, เดินทางไปถึงที่นั้นที่หลอกว่ามีคันเนี่ย คิดว่าเออเราจะไปทําธุระส่วนตัวสักหน่อยจะหนักหรือจะเบาก็ไม่รู้นะฮะไปทําธุระส่วนตัวสะหน่อยก็ก็ข้าไปที่คนต้นใส่ข้าไปที่คนต้นใส่กับกับหญิงพี่เลี้ยงก็เห็นเด็กนอนอยู่ว่าผิวพรรณสวยมากก็เลยบอกหญิงรับใช้บอกว่าเอาละให้เรา ได้เรื่องแล้วสิ่งที่เราจะต้องไปที่ตระกูลญาติหรือที่บ้านด้วยกิจอันใดจิตอันนั้นสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเราได้เด็กแล้ว <c oughs> แล้วก็อเอาเอาผ้าเอาผ้าออกเอาทอนผ้าออกคือว่าเครื่องผ้าของตัวเองอ่ะออกแล้วก็ เอาเลือดเอาอะไรที่ติดเด็กอยู่นั่ น, นมาถาที่ท้องน้อยทำทีเป็นว่าเหมือนคลอดก็เลยกลับบ้านกลับไปบ้านสา ม, มีบ้านพ่อผัวแม่ผัวอุ้มเอาเด็กกลับไปแล้วก็บอกว่าได้คลอดลูกแล้วบังเอิญจริงๆ <c oughs> ทีนี้ อในวันนั้นอหญิงสัพพายของเศรษฐีน้อยก็ไม่ใช่มาหาเศรษฐีเป็นอนุเศรษฐีหญิงสัพพายของเศรษฐีน้อยอนุเศรษฐีคนหนึ่งอก็ได้คอด้อบุตรเหมือนกันแต่ว่าค้อที่ใต้กิ่งไม้ทอดที่กลายใต้กิ่งไม้แห่งหนึ่งอก็ตั้งชื่อว่าสาค่ะ ไอคนที่คลอดใด้ต้นไสรที่เก่าทิ้งนั้นเป็นวันนิโคร์ชื่อนิโครแล้วก็ก็ในวันนั้นเองภรรยาของช่างชุนที่อาศัยมหาเศรษฐีอยู่ก็คลอดบุตรคลอดบุตรมี้าท่อนเก่าก็ห่ออยู่ก็ตั้งชื่อเด็กว่าโปติกะอะไรครับก็คงต้องเล่าแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องต่อไปก็คงจะต้องต่อพรุ่งนี้ครับ ตอนนี้กำลังพูดถึงหัวข้อที่หกนะครับหัวข้อที่หกว่าด้วยปัจกายะคุณรู้จักอุปการยะคุณของท่าน เ, าเป็นคนมีความกระตันอยู่กระตะเวทีเมื่ อ, อาวานนี้ก็เล่าเรื่อง เด็กสามคนซึ่งเป็นลูกลูกหรือหลานหลานของมหาเศรษฐีเมืองรัชคลึกแล้วก็ เ, เป็นอีกคนหนึ่งก็เป็นหลานของอนุเศรษฐีเศรษฐีน้อยอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกของ ชัางชุนกเ็เกิดในวันเดียวกันพร้อมกันมาหาเศรษฐีก็ขอเด็กทั้งสองคนมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนเล่นของล้านชายของตัวที่ชื่อนิครด คนหนึ่งชื่อนิโครคนหนึ่งชื่อสาขะอีกคนหนึ่งชื่อโปติกะโปติกะนั่นแปลว่าผ้าท่อนเขา่าสาขะนั่นแปลว่ า, ากิ่งไม้นิโทรก็แปลว่าตน้นไทรก็ได้เล่ามาแล้วเมื่อคืนนี้ทีนี้ก็กพเด็กทั้งสามคนก็เติบโตมาด้วยกัน นี่เมื่อถึงวัยที่พอจะไปศึกษาเราเรียนได้ก็ได้ส่งไปเรียนที่เมืองตักกศิลาส่งไปเรียนที่เมืองตักกศิลาก็จนสําเร็จเลยครับก็เรียนสําเร็จศิลปะแล้วก็ให้เดินทางท่องเที่ยวไปก่อน ก่อนที่จะกลับเมืองราชครึกก็ให้เดินทางท่องเที่ยวไปก่อนเหมือนกับคนสมัยนี้ลูกเศรษฐีลูกคนมีสตังค์ไปรเรียนไปเรียนเมืองนอกพอเรียนจบแล้วเขาก็ให้เดินทางรอบโลกูกก่อนจะมาถึงบ้านอันนี้ก็เดินทางท่องเที่ยวไป ที่จริงก็ไม่เชิงท่องเที่ยวทีเดียวเพราะว่าจากตักกศิลาซึ่งเป็นอินเดียเหนือแล้วก็มาถึงพาราณสีราสีนั้นเป็นอินเดีย ก, กลาง <c oughs> อินเดีย ก, กลางเป็น อ, อ, อ, อ, อยู่อยู่กลางระหว่างตักกัิลากับรัชครึกควรจะต้องผ่านอยู่ดีถ้ามาราัชครึกก็ต้องผ่านพาราณสี เวลานี้เขาเป็นอุตรประเทศอุตรประเทศ <c oughs> ทีน่นี่ที่ที่รองลงมาทางใต้ลงมาก็เป็น ร, ชรัชคือ ร, ครัชคือหรือแคว้นพิหารในปัจจุบันนี่แคว้นพิหาร <c oughs> อุตรประเท ศ, เ ท, ศที่มีพาราณสีอยู่ด้วยนี่ เมื่อเมื่อสามสิบปีก่อนนี่อุตตราประเทศหรือแคว้นอุตตราประเทศเนี่ยเรามีพลเมืองเจ็ดสิบห้าล้านแคว้นเดียวมากกว่ามากกว่าคนในประเทศไทยทั้งประเทศเจ็ดสิบห้าล้าน <c oughs> <c oughs> เมื่อสามสิบปีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ทัาบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยนี้ก็ เมื่อมาถึงใกล้เมืองพายรันสีก็นอนนอนโคนต้นไม้ต้นหนึ่งอันนี้ก็ <c oughs> ที่ต้นไม้ต้นนี้ครับข้างบนขึ้นไปก็มีไก่หลายตัวอาศัยนอนอยู่แล้วก็มีไก่ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างบนก็ถ่ายอุจใจละ ถ่ายอุจนใจละลงมาถูกตัวของไก่ที่นอนอยู่ข้างล่างอันนี้ไก่ตัวที่นอนอยู่ข้างล่างก็โกรธมากโกรธมากมา ก, ก็ถามถามว่าใครใครเว้ยใครเว้ยถ่ยายหุ่นใจละรถเราและไก่ที่อยู่ข้างบนก็บอกว่าเพื่อนอยากโกรธเลยก็โทษด้วยไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าเพื่อนนอนอยู่ข้างล่างไม่รู้ ก็ถ่ายตามปกตินั่นแหละอเจ้าไก่อยู่ข้างล่างก็บอกว่าอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอดโทษให้ เ, เห็นเห็นตัวเราเป็นซุ่มหรื อ, อยังไงนะเป็นที่ถ่ายอุจจาระหรื อ, อยังไง <c oughs> แล้วก็คุยอวดคุยคุยอวดเสียด้วยเลยบอกว่า เจ้าหนะไม่รู้จักอนุภาพของเร า, าผู้ใดได้กินเนื้อของเราแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจู่ก็จะได้สับพันหนึ่งได้สับพันหนึ่งแต่เ ช, ช้าจู่อันนี้ก็ไก่ที่อยู่ข้างบนก็บอกว่า อ, อฉันก็บอกแล้วเพื่อนเอ้ยฉันก็บอกแล้วว่าไม่รู้ ไม่รู้จริงๆก็ยังโกรธเพียงเท่าเนี้ยยังทำอัจฉมิมานะอหางการมากเหลือเกินคิดว่าเราไม่มีอนุภาพหรือยังไรเราก็มีอนุภาพเหมือนกันใครได้กินเนื้อล้ำของเราผู้นั้นจะได้เป็นพระราชาพรุ่งนี้แล้วก็ใครได้กินเนื้อกลางๆ ของเราผู้นั้นจะได้เป็นเสนาบดีใครกินเนื้อติดกระดูกผู้นั้นจะได้เป็นคุณคลังว่าอย่างนั้นไอเนื้อกลางๆนี่ไม่รู้เนื้ออย่างไรไม่รู้ไม่รู้เป็นอย่างไรไอเนื้อล่้ำนี่ก็คือเนื้อที่เป็นก้อนเป็นล่ําไอเนื้อกลางๆนี่หรือว่ากลางท่ามกลางระหว่างไระหว่างเนื้อล่ํ้ำกับเนื้อติดกระดูก จะเป็นอย่างนั้นคราวนี้เด็กนมโปติกะโปติกะที่เป็นลูกของช่างจุนเนี่ยก็ลุกขึ้นตอนเช้านวดเท้าให้กับนิคโครตจุนวดเท้าให้นิคโครตกูมานู่ได้ยินคําที่ไก่สองตัวนั่นคุยกัน ก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปปีนขึ้นไปค่อยๆปีนขึ้นไปก็ไปจับเอาไก่ตัวปลนเอาตัวเดียวจับเอาไก่ตัวปลนแล้วก็ปิ้งเอามาฆ่าแล้วก็ปิ้งปิ้งแล้วก็แบ่งเนื้อลำเอาเนื้อลำให้นิรครุษกุมาร เอาเนื้อกลางให้กับาาัาขะแล้วก็ส่วนตัวเองกินเนื้อติดกระดูกแต่แล้วก็บอกบอกความจริงให้ทราบว่าเอออานุภาพของเนื้อไก่นี่จะเป็นอย่างไรตามที่ไก่เขาคุยกัน <c oughs> ท่านฟังท่านฟังนิทานต้องคุยต้องฟังอย่างนิทานนะครับ จอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ฟังต้องฟังอย่างนิทานแล้วเดี๋ยวทัานจะจะพอทราบว่ามันนิทานเป็นของดีมันมีคติมีคติอยู่มีคติอยู่ในสังคมมนุษย์เนี่ย <c oughs> มานบทั้งสามคนกินเสร็จแล้วก็เข้าไปในเมืองพาราณสี แล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวในเรือนของพราหมคนหนึ่งแล้วก็ออกจากเรือนของพราหมเขาก็ไปไปยังพระราชอุทยานนิโตรกุมารนินโตรกุมาร น, นี่ก็นอนอยู่บนแผ่นศิลาแผ่นหินนะครับก็อ น, นอนเล่นอยู่บนแผ่นหินอันี้สองคนเพื่อนสองคนนั้นก็นอนอ ทางลลางว่านอนใกล้ๆกันตามเรื่องว่าเวลานั้นพระเจ้ากรุงพราราณสีได้สวรรคตมาได้เจ็ดวันแล้ววันนี้ก็ท่านไม่มีพระราชโสดที่จะสืบพระาชาสมบัติสันติภุมิจะนั่นเป็นหน้าที่ของ อำ ม, มาตย์ราชพุโรหิตที่จะต้องปลอ่อยปล่อยมาก็เรียกรถเทียมมาเล้วุดบุสระบุดสรถปุดสรถดุดระที่แปลว่าขาวนะครับ <c oughs> มาสีขาวมาสีขาวรถเทียมด้วยมาสีให้ไปเสียงไปเสียงใครคือว่ามาตัวนี้ไปไปหยุดอยู่ที่ใคร ก็จะเชิญคนนั้นแหละเป็นพระราชาอั น, นี้ก็ <c oughs> รถม า, าวิ่งมารถมาวิ่งมาที่พระราชาวุทยานแล้วก็มามาเกยมาเกยอยู่ที่ที่นอนของอนิโครตกุมาร พระโอหิตราชพระโรหิตได้ตรวจ ด, ดูลักษณะของนิครตกุมารที่พระบาทที่ฝ่าเท้าแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นผู้มีบุตรก็ได้ให้ประโคมดนตรีขึ้นแล้วก็เชิญไปอภิเศกเป็นอภิเศก เป็นพระราชาครองราชาสมบัติในกรุงพาราณสีเรื่องทานองนี้ครับในสมัยปัจจุบันก็มีทำไมใช่ไม่มีแต่ว่ามันคนละแบบกันคนละแบบเมื่อก่อนนี้เขาใช้รถมาแต่เวลานี้เขาเขาใช้รถเก่งเน่ ใช่รถเกง่งใช่รถเบ้นใช้รถอะไรเนี่ยไปเชิญคนมาเป็นอะไรต่ออะไรเไปเชิญมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีไปเชิญมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มี <c oughs> อ อ, อยู่ๆก็ไม่ได้ไปสมัครผู้แทนไม่ได้ไปเล่นการเมืองไม่ได้ไปทำไํำไมเขาก็ไปเชิมาเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs>